you <laughs> พูดกับคนหนุ่มสาวมากเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการฝึกฝนจิตใจเนี่ยคนวัยเนี่ยไม่ค่อยสนใจเพราะว่าชอบสนใจเรื่องข้างนอกเรื่องที่มันทําให้สนุกสนุกเข้ามาสู่ในตัวเราเนี่ยเป็นมาจากข้างนอกเนี่ยมันได้ความเล่าใจี่มันมีความเล้าใจามีการตื่นเต้น ความสนุกสนา น, เ, นเด็กวัยนี้ชอบรู้เรื่องข้างนอกมากกว่ารู้เรื่องตัวเองเรื่องข้างนอกนี่ฉลาดแต่เรื่องตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ฉลาดเวลามีปัญหาแล้วก็จะโทษสิ่งข้างนอกแต่เคยโทษตัวละเองเลยเช่นเวลาใครพูดกับเราไม่ดี เราก็ไปว่าเขาจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องเพราะใจเราคิดไม่ดีตัางหากเพราะไม่เข้าใจตัวเราจึงไปต่อว่าคนอื่นเดี๋ยวนี้นะคนสมัยเนี้ชักเริ่มคนที่วัยนี้นะชะเริ่ที่จะมาสนใจสนใจเรื่องของการฝึกฝนจิตใจคือการมารู้จักตัวเราเองปัญหาทั้งหมดนี่นะ ที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันมาจากการไม่รู้จักตัวเราไม่รู้จักตัวเราตามความเป็นจริงเราจึงไม่มีความเข้าใจใเรื่องสิ่งทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกด้วยถ้าเรามารู้เรื่องตัวเราเนี่ยเรื่องข้างนอกเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยเรื่องของตัวเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องร่างกายอย่างเดียวคือเรื่องของจิตใจโดยตรง เรื่องของร่างกายเป็นเพียงแค่วัตถุอาศัยธรรมดาเ mm hmm. ท่าน้นมันเหมือนเหมือนรถโครงสร้างของรถนั่นคือร่างกายสมมุตินะ mm hmm. แต่คนขับรถนั่นแหละคือจิตใจ <Okay. S 1> ถ้าคนขับรถไม่มีซะรถก็วิ่งไม่ได้แล้นะว่าจจะมีรีโมท บ, บังคับ ผู้ที่ควบคุมผู้ที่บังคับนั้นก็ต้องจิตใจของคนอยู่ที่ไเพราะใจคนเนี่ยสำคัญมากจะมีสุขหรือมีทุกข์กึอนที่ใจคนปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จิตใจนะั้นเราจึงมาสนใจที่จิตใจโดยตรงรู้จักไหมจิตใจอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตาหรืออยู่ที่หัวเขา่า อยู่ตรงไหนไว้ใจเราหาใจเจอไหมหาใจเราไม่เจอเราจะฝึกใจได้อย่างไรเรามีใจไหมเนี่ยรู้ไหมร่างกายของคนเนี่ยประกอบด้วยใจแล้วก็กายสองอย่างขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ถ้าไม่มีใจร่างกายก็อยู่ไม่ได้เพราะมีร่างกาย เมื่อเลยมีใจคูกอนสองอย่างต้องอาศัยกันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ใจอาศัยร่างกายร่างกายก็ต้องอาศัย จ, จิตใจเนี่ยไปด้วยกันสองอย่างถ้าเราไม่รู้จักสองอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนเนี่ยคือการรู้เรื่องตัวเรารู้เรื่องตัวเราเราจึงต้องฟังฟังด้วยใจไม่ได้ฟังด้วยหู คนตายก็มีหูนะแต่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องแต่ ว, ว่าเราฟังด้วยใจเวลาเราทาอะไรขึ้นมาใครเป็นผู้ใช้ให้ร่างกายมันทำร่างกายทำอะไรไม่ได้หรอกจิใจมันใชใ้ร่างกายทำเวลามันคิดขึ้นมาร่างกายมันคิดหรือใจมันคิดที่เรามาที่นี่ได้เนี่ย ใครพามาขามันพามาหรือเปล่าสงสัยถ้าไม่มีขามาได้ไหมขามันเดินไม่ได้มาได้ไหมมาได้ใช้รถนี่ไงขามันไม่ได้พามาใจาใจเป็นผู้ใช้ขาให้มามแล้วใครเป็นผู้ใช้ให้ใจมาได้ถูกที่ถูกทาง ครเป็นผู้ใช้ใจให้ใจมันพาขามาให้ตรงถ้าไม่มีตัวนี้นี่ตัวที่ใช้มาเนี่ยไม่ใช่ตัวที่สามเนี่ยเรามาไม่ถูกที่แล้วนะอ๋อพอเราจำได้อ๋ออาจารย์มาสยอรออยู่ที่โรงแรมนี้โรงแรมนี้ต้องมาในเส้นทางนี้ มาถึงโรงแรมนี้แล้วต้องติดต่อใครตรบอกเข้าประตูห้องนี้ใช่ไหมใครเป็นผู้สั่งให้ทำอย่างนี้นั่นหละคือสติสัมปชัญญะหลักสรุปแล้วมาที่นี่ได้เพราะสติพามาสติคือความละลึกได้ลึกได้ว่ายังมีตัวเราอยู่ลึกได้ว่าโรงแรมนี้อยู่ที่ไหน เลกได้ว่าอาจารย์มัสยโยรูปล่างหน้าตาเป็นอย่างไยถ้าใจไม่มีสติเป็นข้อมูลแบบนี้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้สติคือความรลืกได้คือความรู้ตัวทพ่วพร้อมเวลาเกิดปัญหาอะไรก็ตามสติตัวเนี้ยมันจะพาพาเอาปัญญาพาเอาความรู้ พาประสบการณ์ทั้งหมดของเราที่ได้รู้ได้เรียนมาเนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหาได้ทันทุกคนมีประสบการณ์ในการเรียนหนังสือในการใช้ชีวิตในการได้เห็นได้ยินมาบางคนมีความรู้มากมายถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถจะใช้ความรู้นั้นได้เลยสติเป็นผู้ที่พาประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตเอามาใช้แก้ปัญหาชีวิต เนี่ยต้องมาจากประสบการณ์แบบนี้สติถึงได้พามาได้ต้องมีสติเป็นผู้ที่ระลึกระลึกขื้นคว้าออกมาหยิบเอามาใช้คนกินเหล้ากินสาเกมีกายมีใจมีความรู้มากมายแต่ขาดสติเอาความรู้ทั้งหมดมาใช้ไม่ได้เลยความรู้ทั้งหมดเป็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ระดับเรา คนไทยรูปเป็นหมันถูกคุงกาเนิดเรียบร้อยอยากเป็นหมันไหมยาห้าย้วามรู้เป็นหมันน ะ, ะได้มาใช้ประโยชน์เรียนมาทั้งหมดในใช้อะไรไม่ได้เลยเพราะขาดสติเป็นผู้ที่พาออกมาเหมือนเรามีเงินอยู่เรามีเงินเย น, เนแต่เงินเยนเราอยู่ในธนาคารเบิกใช้ไม่ได้ต้องใช้เวลานานา เ, เงินเย็นจะอยู่ในกระเป๋ า, าจะซื้ออะไรก็หยิบได้ทันท่วงทีนั่นแหละมันเราเมื่อเรามีสติใช้ได้ทันท่วงทีตอนนั้นเงินเย็นเป็นหมันไม่เรียบร้อยแล้ร อ, อยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในธนาคารใช้ไม่ได้ในกระเป๋าเนี่ยใช้ประโยชน์นะ้เห็นประโยชน์ของสติระยาพุทธตัดไว้ว่ากล่าวพูดไว้ว่าสติเป็นเครื่องตื่นในโลกนี้ คำว่าตื่นเนี่ยตรงข้ากับคำว่าหลับดูไหมว่าตื่นเป็นยังไงกำลังจะหลับเป็นยังไงแล้วตื่นหรือหลับอันไหนใช้ประโยชน์ได้ดีกว่ากันตื่นออกมาจากความหลับไหลตื่นออกมาจากความคิดเช่นเวลาเราคิดคิดเป็นเป็นกระแสคิดไปเรื่อย ใจเราก็อยู่ในความคิดคิดคิดอันนี้จะไม่รู้ตัวยังไม่ตื่นเข้าอยู่ในความคิดไม่ได้พูดทีเห็นคิดคาว่าตื่นคือการแตกออกมามมแตกแถวออกมายัาาเวลาทหารเวลาเขาเดินเป็นแถวคำว่าตื่นคือออกมาเห็นแถวทั้งหมดเลยเราอยู่ในแถวแล้วเราเราจะไม่เห็นแถวไม่เห็นคนในแถวทั้งหมดเนี่ยตื่นออกมาจากความคิด เราเคยคิดทั้งวันคิดไม่รู้ตัวก็ตื่นมาโอ้นี่คือความคิดถ้าตื่นออกมาแล้วเนี่ยจิตใจมันจะเป็นตะลักออกมาจากโลกของความคิดนี่แหละคือความหมายคาว่าสติตื่นออกมาเห็นตื่นออกมาดูมีไหมตื่นหรื อ, อยังคือตื่นตัวตื่นตัวอันนี้คือประโยชน์นะ เราถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตไม่ได้ครับคำคำเดียวสติเนี่ยหรือความรู้ตัวสิ่งเดียวถ้าเราสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ทั้งหมดมตั้งแต่เกิดจนตายถ้าเข้าถึงตัวนี้ได้แล้วก็เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาด้วยนะคำเดียวอย่าแค่จำจะต้องทำคุ้เคยเห็นคนที่เขาไม่มีสติ เป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยเป็นนักร้องวัยรุ่นขณะเนี้ยเป็นนักร้องเขาขึ้นไปร้องเพลงแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรไม่ทราบไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจเรื่องอะไรทราบข่าวต่อหลังว่าเขาไม่พอใจเพื่อนร่วมคณะร่วมวงของเขาขณะขึ้นร้องเพลงบนเวทีเนี่ยแสดงบนเวทีเนี่ย เขจับกีตาร์ของเพื่อนมาภาพบนเวทีต่อหน้าคนดูแล้วก็ต่อหน้าภาพทั้งหลายที่ขายไปทั่วโลกโ<อ>เพราะวันั้นผ่านไปแล้วข่าวต่างๆเขาเห็นแล้วเขาเสียใจมากบอกเขาไม่น่าทําเลยเขาไม่น่าทำเลยทำด้วยความโกรธ ด, ด้วยความไม่พอใจอารมณ์ชั่ววูบเดียวแล้วก็ขาดสติ ชีวิตเขาทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีความสุขเลยแล้วมันแก้ไขไม่ได้แนละ้วภาพมันฉายไทั่วโลกเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังเสียใจไม่หายเขาคิดทีไรเขาเศร้าหมอสฉันนักล้ลอมคนั้นเนี้ชื่อเสียงหายไปจากวงการน่าเสียดายเสียอนาคตไปเลยนั่นเพราะขาดสติไม่รู้ทําจิตใจตัวเอง ได้อีกลายหนึ่งเป็นนักกีฬาเนี่ยเกิดมาไม่นานนี่เองเนี่ย ก, กำลังแข่งขันกีฬายอยู่อารมณ์เกิดอารมณ์โกรธไม่พอใจไล่ชกต่อยทะเลาะทำร้ายทำไล่ทาร้ายแล้วภาพก็ฉายไปทั่วโลกตัวเองก็เลยต้องเสียใจมาก<อ>คิดทีไรก็ไม่สบายใจเนื่นเพราะขาดสติ ไม่รู้ทันจิตใจตัวเองเนี่ยผู้ที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกก็เป็นี้ทั้งนั้นแหละฆ่าเพื่อนตายแค่ความโกรธชวนเพื่อนไปกินสาเกเพื่อนไม่ไปด้วยฆ่าเพื่อนติดคุกห้าปีโกรธแค่ไม่ถึงห้านาทีนะไปติดคุกตั้งห้าปีขาดสติ ถ้ระวังให้ดีนะมันแก้ไขาไม่ได้ อ, อันนี้คือโทษทุกโทษของการขาดสติแล้วก็ไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองอไม่รู้เท่าทันความคิดความคิดเนี่ยมันเกิดจากจิตของเราความคิดเหมือนมันมีดสองคมอีกอันหนึ่งให้ประโยชน์แก้ปัญหาชีวิต คิดวางแผนงานต่างๆคิดทำสิ่งที่ดีๆคิดรักกันมีความสามัคคีกันอันนี้คือความคิดที่เป็นประโยชน์นะมากกว่นี้อีกนะอันนี้ตัวอยา่างด้านหนึ่งก็เลวร้ายมากความ <Okay. S 1> คิดประเภทนี้คิดจะทำร้ายคนเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนคิดระเบิดปรมาณูเพื่อทำลายโลก ทำยาบ้าคิดทำอาวุธเวลาดีก็ดีมากเวลาคิดไม่ดีก็เลวร้ายที่ร้ายกันนั่นคือคิดฆ่าตัวเองฆ่าได้ไมกระทั่งตัวเองจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เลยระวังเรื่องความคิดนี่แหละถ้าเราขาดสติส่วนว่ามันจะคิดไปทางรบทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีสติ ทางลบจะไม่เกิดขึ้นเลย okay, s <S จะมีแต่คิดแต่เรื่องบวกเลื่ยๆสติคือความระลึกได้รู้จักผิดชอบช่วยดีคนที่กำลังจะขโมยของเขานี่ <Okay. S 1> ที่กำลังเปิดตู้เซฟเนี่ยเขาต้องมีสติไหม oh. กำลังจะขโมยของกำลังเปิดตู้เซฟเนี่ยก็ต้องมีความมีสมาธิในการตั้งอยู่กับตรงนั้นนะ <Okay. S 1> เขามีสติไหม แล้วคนที่กําลังเอาปืนยิงนกเนี่ยกำลังยิงนกเ<า>นี่ยมันก็นต้องจิตใจจดจ่ออยู่กับ น, นกเขามีสติไหมแล้วคนที่กําลังล่อ ก, การบ้านเพื่อนเนี่ยเขามีสติไหมมีสติไม่ได้คนนี้ขาดสติถ้ามีสติเนี่ย <c oughs> จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำที่ถูกต้องเสมอ จะรู้จักว่าควรจะทำอะไรและก็ไม่ควรจะทาอะไรเดียเรากาลังนั่งอยู่เนี่ยบางคนบอกว่าชีา้หน้าป<ม>ุ๊บไม่พอใจเดินออกไปเลยพินามผมแล้วก็ทำท่าไม่พอใจแล้วก็เดินออกไปเลยมีใครทําไหม<อ>มีใครคิดทาไหม <laughs> อ๋อแ <laughs> สดงว่าพวกเรามีสติรัวเนี่ยคือไม่ควรทํา นี่คือการมีสติถ้าคนขาดสตินี่จะจับสมุดโยนใส่แล้วก็เดินออกไปเลยค่อยังชั่วหน่อยนะได้พูดแล้วคนมีสติถ้าคนมีสติแล้วเนี่ยจะรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันจิตใจว่ามีความรักความโกรธรู้เท่าทันใจเราเรื่องขอความรู้ตัวมีความรู้ตั ว, ว, ตวทีเราก็รู้ว่าเรากาลังนั่งอยู่ รู้ว่ารู้เขาว่ารู้ตัวหรือขารว่ามีสตินั่นคือรู้ว่ากํกาลังกายกําลังทําอะไรแล้วก็รู้ว่าใจกําลังคิดอะไรเนี่ยรู้สองอย่างเนี่ยจะรู้ว่ากายกําลังทําอะไรนี่การมีสติแหละหรือใจกําลังคิดอะไรแต่ว่ามีสติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีความรู้ตัวเรารู้ไหมว่ากายเรากําลังนั่งอยู่รู้ไหมว่าใจกําลังคิดอะไร รู้ในขณะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาเป็นคำที่มันหมายถึงว่ารู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่แะอันนี้คือตัวสาคัญถ้าเรารู้จักตัวเองเองด้วัปะเราก็รู้จักคนอื่นด้วย <จะ S 1> รู้จักตัวเองแล้วก็จะรู้จักคนอื่นด้วยรู้เท่าทันจิตใจเราเราก็รู้เท่าทันใจคนอื่นเหมือนกัน เราเข้าใจละตัวเราเราก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยเราจะไม่มีปัญหากับใครเลย<ม>คือการมารู้จักตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นรู้แค่เราคนเดียวนะจะรู้จักคนทั้งโลกเลยแป<ม>ลกไนหะม ม, มันเป็นสิ่งที่มหาสารจั์มากมถ้าไปเรียรรนรู้ทีละคนรู้ทีละคนอยู่คนเนี่ยเราไม่มีทางรู้หมดทั่วโลกเลย<ม>อย่างเดียกรู้หนึ่ง เท่ากับรู้หมดมานดีว่าคนที่รู้ทั้งหมดแต่ไม่รู้นหนึ่งเราอยากให้คนทั้งโลกมาลักเราเพราะเราอยากมีความรักใช่ไหมเราอยากมีความรักและให้คนทั้งโลกมารักเราถ้าเราอยากมีความรักก็เปลี่ยนเป็นรักคนทั้งโลกเลยใหเรามีความรักเต็มตัวเลย เพราะนั้นอย่าไปสงสัยว่าเอ๊ะทาไมคนโู้นจะเป็นอย่างโน้นทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกซู้เปลี่ยนตัวเราให้เข้าใจเขาอันนี้จะง่ายกว่าเราั้งึงต้องมาฝึกตัวเราเองก่อนรับอย่างที่ตัวเราต่อไปก็เป็นเรื่องการฝึก ก, การตัวที่สําคัญนะรูแก้ที่จะดีนี่ไม่เก่งหรอกยังแก้ปัญหาไม่ได้หละ มันต้องรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยปฏิบัติแล้วเนี่ยบางทีเรื่องทฤษฎีเป็นเรื่องที่มันมันแตกต่างกันมาก <Okay. S 1> ปฏิบัตินี่ของจริงการปฏิบัติธรรมมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะก็ <Okay. S 1> มีการทดลองคล้ <Okay. S 1> องทดลองแต่วิทยาศาสตร์ทดลองต้องใช้เครื่องมือแต่พุทธศาสตร์เนี่ยทดลองโดยการใช้สติเป็นเครื่องมือ เขาเรียกว่าธรรมะธรรมะสติเป็นธรรมะที่จริงสติทุกคนเนี่ย ม, มีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วมีทุกคนด้วยแต่มันยังไม่เจริญยังไม่พัฒนาเป็นสติแบบสัญญาณเป็นสติที่ยังไม่ได้พัฒนายังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้ มันติดตัวมากกว่ทุกๆคนเลยแม้แต่แมวนะแมวก็มีสติยกเว้นแมวโดยเลมอนที่แมวคิดมากเราไม่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราฝึกเราฝึกสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันพัฒนาขึ้นเนี่ยมันง่ายถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราฝึกทำสร้างึ้นไมาเนี่ยมันยากเราไม่อยู่แล้วเราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันง่ายเมื่อเราปลูกปลูกต้นไม้เนี่ยจากต้นเล็ก ซึ่งที่จริงเนี่ยต้นไม้ตัวนี้มันมีขมันอยู่ก่อนแล้วนะตีตัวเราถอนเราแยกก็มาปลูกของเดิมมาอยู่แล้วเพียงแต่เราลดน้ำพรวนดินลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแมันก็ตอกันมาเรื่อยเือยากให้มันเจริญงอกงามใบไวจะต้องหมั่นลดน้ำพลวนดินลดน้ำพลวนดินเหมือนการฝึกสติจะให้มันพัฒนาไวจะต้องฝึกบ่อยๆบ่อยๆอ่าต่อไปเป็นชั่วโมงการฝึกสติ การฝึกสตินี่นะเ้าเรียกเป็นการพัฒนาจิตนั้นแหละไม่ต้องหลับตาใครม้วนน้องก็ทาตาโตโตตั้ตาหลีๆก็เสร็จเดยแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยไม่ต้องใช้ความคิดอย่าไปตั้งใจคิดเราใช้ความคิดมาเยอะแล้วนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิด หลับก็คิดตอนหลับคือที่เราฝันนั่นแหละบางทีคิดไม่คิดเปล่านะเวลาเวลานั่งถ่ายก็คิดถ่ายจระปัสสาวะก็คิดบางคนคิดไม่คิดป่าบนพื้ฟ้าบินไาเหมือนคนบ้ากันเราใช้กว่าคิดไาเยอะแล้วล่ะคิดมากมันก็เปลืองสมองแลเราคิดฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่าน กลางวันก็เรียกว่าคิดกันคือเรียกว่าฝันแล้วจิตใจเนี่ยไม่ได้พักผ่อนแม่ร่างกายได้พักแต่ใจก็ไม่ได้พักเลยโมแต่คิดคิดคิดบางคนไม่มีเรื่องคิดอนะบางคนไม่จะคิดอะไรหาเรื่องมาคิดให้มันปวดหัวก็มีนะเราไม่เคยปล่อยให้จิตใจเราเว่าสบายสบายเลยเราปล่อยใจอยู่ในโลกของความคิดหมด การปฏิบัติเลยเป็นการพักผ่อนทางจิตการพักผ่อนทางจิตที่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าการหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็ยังไม่ใช่ถ้าการนอนหลับแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องฝันนั่นแหละคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วเราจะฝึกแบบไม่ต้องใช้ความคิดแต่เราไม่ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความคิดนะ ไม่ใช่คิดแต่ปล่อยให้มันคิดอย่าไปบังคับมันแต่เรามีสติอยู่ว่าเราเราจะไม่ตั้งใจที่จะคิดอะไรออกมาถ้ามันคิดขึ้นมาเองแยกให้ได้นะปล ค, คิดที่มันคิดในเองก็ปล่อยมันแต่เราจะตั้งใจที่จะปฏิบัติในตัวเราตอนนี้กําลังมีความตั้งใจมากเลยงานเราคืองานสร้างสติจเจริญสติ อ่ะเอามือวางใหม่ๆคนที่ไม่เคยต้องดูกันนะที่เคไปฏิบัติแล้วก็ทำไปเลยนะทำ ต, ตัวสบายๆอย่าก้มหน้ามองตรงๆพอสายตาลงต่ำนิดหนึ่งไม่ได้ก้มหน้าพอสายตาลงตา่านั่งนั่งหยอย่าเกรงตัว ต้อง ส, าสบายๆอย่าเกร็งถ้าเกร็งแล้วมันจะปวดเราไม่เอาท่าสวยเอาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออก ย, วยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ย, วยาวๆแบบผ่อนคลายนะแบบผ่อนคลาย อย่าตั้งใจให้ใจจนเกินไปเราไม่ตั้งใจปราย ใ, ใจอยู่แล้วอาจจะค้าลึกๆหายใจอยาว เ, เรามีความรู้ตัวไหมว่าเรากําลังทําอะไรอยู่รู้นะรู้ตัวเรากําลังหายใจเท่านั้นเองนี่การรู้ตัวแล้วอ่าเอาละเอามือวางลงนะที่ลง ต่อไปเป็นการเจนติแบบเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนไหวอ่ามือข้างขวาฟลิกมือขวาในเ<ว>ท่าตะแคงข้างเดียวนะนยกขึ้นมารู้สึกนะมือขวาเข้ามาไว้ที่สะดือฟลิกมือซ้ายในท่าตะแคง ยกมือซ้ายขึ้นมาจะต้องรู้ตัวนะเวลาเากำลังทำอะไรอยู่อย่าหลับตาขามือซ้ายท้าไว้ที่มือขวา <S S เคลื่อนมือขวาลาไว้ที่น้าอกขามือขวาไปด้านขาลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงอย่าทำชาเกินไป ความมือขวาลงเลื่อมมือซ้ายมาที่หน้า อ, อกเํามือมือซ้ายมาที่ด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงความมือซ้ายลงพลิกมือขวาในท่าตะแคงให้รู้สึกตัวนะอย่าทําที่เจย อ, อย่าเคลื่อนไหวฟรีๆให้รู้ตัวว่ากําลังเคลื่อนไหว ยกมือขวาขึ้นมานำมือขวามาไว้ที่สะดือลิบมือซ้ายเลยเท่าตะแกรงยกมือซ้ายขึ้นมา <c oughs> ให้รู้สึกตัวนะนำมือซ้ายมาเท้าไว้ที่มือขวา <c oughs> เลื่อนมือขวามาไว้ที่หน้าอกนำมือขวาหมายดังค่า ลดมือขวาลงมาที่ขาเนี่าตะแคงความมือขวาลงเ อ, อื้อมมือซ้ายมาที่หน้อกมือซ้ายมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงความมือซ้ายลงถ้าเอาใหม่นะฟังอธิบายนิดนึง ยังเกรงไปนักปรึกษาทําไมเกรงทำให้มันผ่อนคลายนะมีการเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดคือเกรงตัวเทคนิคในการทําเนี่ยเนี่ยคือพลิกมือเป็นจังหวะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเป็นจังหวะอย่างนี้อย่าไปช้าๆแล้วก็มันจะเป็นสมาธิที่ทําให้เราไม่รู้ตัวเราจะเพลิน อย่าไปกลัวผิดสิในลายเราผิดไม่บาปนะ<บ>าการห <ไป S 1> ยดแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการตั ด, ต, ดตัดอารมณ์ตัดความคิดสติจะเกิดขึ้นมาในตอนที่หยุดเนี่ยเคลื่อนเป็นจังหวะเป็นจังหวะ <Okay. S 2> แล้วก็รู้เป็นขณะขณะให้รู้ตัวในการเคลื่อนไหวของกายอย่าเพิ่มไปสนใจเรื่องอื่นมันจะมีความคิดแล้วก็ไปไปแล้ว <Okay. S 1> อันนั้นคือหน้าที่ของความคิด หน้าที่ของเราของนักศึกษาคือมารู้ตัวรู้ตัวเวลาเคลื่อนไหวเราต้องแบ่งหน้าที่กันแบบนี้นะว่าความคิดส่วนความคิดนําไม่ใชเรื่องของเรา<ม>เรื่องของใจที่มันคิดแต่เรื่องของสติปัญญาคือเรื่องความรู้ตัวตรงนี้เราจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทากับเรื่องของร่างกายจนชนานาญและเราจะรู้ทันความคิดที่มันคิดอีกด้านหนึ่ง อยากเรยนรู้ทางวาความคิดต้องบันทึกเรียรู้สึกตัวบ่อยๆความคิดเป็นเสมือนหนูสติที่รู้ตัวเปรียเสมือนแมวตอนนี้หนูมันตัวใหญ่แมวยังตัวเล็กอยู่ไล่จับหนูไม่ทันยเาต้องมาเลี้ยงแมวให้มันโตโดยการให้อาหารแมวให้อาหารแมวการฝึกสติบ่อยๆบ่อยๆเป็การให้อาหารแมวให้มันโต อย่าไปนสนใจความคิดซึ่งเป็นหนูถ้าเราไปนสนใจความคิดไปห้ามความคิดเท่ากับให้อาหารหนูเอาอาหารแมวให้อาหารหนูหนูมันก็จะโตวไวกว่าแมวในทางตรงข้ามถ้าเราให้อาหารแมวบ่อยๆเนี่ยเท่ากับเป็นการตัดอาหารหนูไปตัวหนูคือความคิดจะน้อยลงไปน้อยลงไปนะเราให้อาหารแมวมากๆเนี่ยพอแมวโตวแล้วเนี่ย ต้องบอกไหมว่าแมวต้องไปจับหนู <Okay. S 2> ต้องบอกแมวไหมว่าแมวจะไปจับหนูต้องบอกไหมไม่ต้องบ mm hmm. อกแล้ hmm. วแมวมันจับหนูพราะมันเอง